ระตไรพิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสี่ประสูตรที่ห้าสิบเอ็ดบินทปาตะปาริสุทธิสูตรสูตรว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งบินธบาทพระผู้มีพระภาคประทับนเวรุวนารามใกล้กรุงราชครืเวลาเย็นพระสาวรีบุตรออกจากที่เร้นมาเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่ง จึงตรัสถามพระสารีบุตรว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสจวีวันของท่านบริสุทธิ์ท่านอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อะไรมากเมื่อพระสารีบุตรกราบทูลว่าอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีความว่างเปล่าเป็นอารมณ์จึงตรัสว่าดีแล้วที่อยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่แห่งมหาบุรุษ ครั้นแล้วตรัสถึงการที่ภิกษุที่หวังจะอยู่มากด้วยสุ ญ, ญัตาวิหารพิจารนาว่าเราเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบินทบาทโดยทางใดเที่ยวไปในที่ใดกลับจากบินทบาทโดยทางใดในทางนั้นที่นั้นเรามีความพอใจมีความกำหนัดยินดีมีความคิดประทุษร้ายความหลงความขัดข้องแห่งจิตในรูปเสียง เป็นต้นหรือไม่เมื่อพิจารณารู้ว่าเรายังมีความพอใจในรูปเสียงเป็นต้นก็พึงพยายามเพื่อละอกุศละบาปธรรมเหล่านั้นถ้าพิจารณาเห็นว่าเราไม่มีความพอใจในรูปเสียงเป็นต้นก็พึงอยู่ด้วยปีติราโมทนั้นศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน ต่อจากนั้นพึงพิจารณาว่าเราละการรมคุณห้าคือรูปเสียงปิ่นรสผลธภะที่น่าปรารถนารักใคร่พอใจและนิวรห้าคือกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีละทั้งสองอย่างได้แล้วหรือยังเมื่อพิจารณาเห็นว่ายังละไม่ได้ก็พึงพยายามเพื่อละ เมื่อพิจารณาเห็นว่าละได้แล้วก็พึงอยู่ด้วยปีติปรามวดนั้นศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนครั้นแล้วสรงแสดงการพิจารณาข้อธรรมอื่นอีกคืออุปทานะขันหะกำหนดรู้แล้วหรือยังสติปัฐานสี่เจริญแล้วหรือยังความเพียรชอบสี่ เจอเรแล้วหรือยังธรรมะอันให้บรรลุความสาเร็จสี่อย่างธรรมะอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนห้าอย่างธรรมะอันเป็นกําลังห้าอย่างธรรมะอันเป็นองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้เจ็อย่างทางมีองค์แปดอันประเสริฐสมถะคือการทาจิตให้สงบและวิปัสสนาการทำปัญญาให้เห็นแจ้ง เจริญแล้วหรือยังวิชาคือความรู้อริยสัจสี่วีมุติคือความหลุดพ้นทําให้แจ้งแล้วหรือยังเมื่อพิจารณาเห็นว่าอะไรยังก็พึงพยายามเพื่อทําการนั้นๆเมื่อเห็นว่าทําเสร็จแล้วก็พึงอยู่ด้วยปีติปราโมทนั้นศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืน สรัสสรุปในที่สุดว่าสมณะหรือพรามในอดีตการอนาคตการนานไกลหรือในบัดนี้ที่ทำบินทบาทให้บริสุทธ์ก็พิจารณาแล้วอย่างนี้ทำให้บินทบาดบริสุทธ์อย่างนี้